หมวดที่สภิกษุททั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงมียศกรรมแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือ 1. งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 2. กล่าวติเตียนพระธรรม 3. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ภิษุททั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงนิยะสะกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล